ที่มีอุปการะมากนะท่านว่ามี2อนะหนคือสติ2คือสัมปชัญญะในนวโกว่าทางแปลาว่าสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันนี้ก็เป็นคําแปลที่เข้าใจง่ายนะความรู้ตัวเนี่ยก็มยมหมายถึงสัมปชัญญะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสัมปชัญญะเนี่ยมีความหมายกว้างกว่านั้นนะ อย่างที่พูดไปเมื่อวานว่าสัพพัญญะนะความหมายก็คือความรู้ชัดระหนักชัดในจุดมุ่งหมายของสิ่งที่เราทำถ้าเราทำอะไรก็ไม่ลืมจุดมุ่งหมายว่าทำไปเพื่ออะไรแต่บ่อยครั้งคนเราก็ทาไปตามความเคยชินจนลืมจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เหมือนกับ สวดมนต์เนี่ยเราก็สวดมนต์ไปสวดไปสวดไปมันกลายเป็นความเคยชินลืมไปว่าสวดเพื่ออะไรบางทีสวดก็เพียงแค่ให้มันจบจบหรือว่าสวดไปใจก็ลอยไปหรือบางทีก็ไปให้ความสําคัญกับบทสวดว่าต้องบทไหนบทไหนนะถ้าไม่ได้บทนี้ถ้าไม่ได้สวดบทนี้ไม่ถูกให้ลืมไปว่าสวดมนต์เพื่ออะไรหรือว่า เรามาเจริญสติแล้วก็มีการยกมือสร้างจังหวะแต่ทําไปทําไปเนี่ยไปติดอยู่ที่การยกมือลืมไปเลยนะว่ายกมือเพื่ออะไรกลายเป็นการทําไปตามรูปแบบไปติดที่รูปแบบหรือวิธีการจนลืมวัตถุประสงค์แล้วก็ไปเถียงกันตรงที่รูปแบบหรือวิธีการเหมือนกับว่าเราจะเดินทางไปชัยภูมิ มันก็มีหลายเส้นทางที่จะไปได้แล้วก็มีพาหนะหลายแบบที่จะไปถึงรถทัวร์ร ถ, ถ, ua, รถตู้รถสองแถวรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งแต่บางทีเราไปติดอยู่ที่ว่าต้องใช้รถเก๋งนะหรือว่าต้องใช้รถตู้นะเทียงกันเนี่ยทั้งที่ จะรถเก่งรถตู้มก็ไปถึงชัยภูมิได้เหมือนกันแต่ลืมไปลืมไปว่าเรานั่งรถเพื่ออะไรกลายเป็นไปนติดอยู่ที่วิธีการหรือภาหนะที่จะไปบันถึงจุดหมายปลายทางอันนี้ก็เรียกว่าขาสัพชัญญะที่เรียกว่าศาธกะสัมปัชญะญ สัพพัญญาหรือความรู้ตัวอันนั้นคือรู้ว่ากำลังทำอะไรนะรู้ชัดในสิ่งที่ทำแล้วก็ไม่เผลอนะหรือว่าไม่แบบนะไปทำอย่างอื่นบางทีเด็กเนี่ยกำลังอ่านหนังสืออยู่ พอมีเพื่อนเรียกไปเที่ยวก็ทิ้งหนังสือไปเที่ยวเลยอันนี้ก็เรียกว่าอาขสศมปัชัญญะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันน ะ, ะกำลังทำงานอยู่แต่มีเสียงเรียกจากโทรศัพท์มือถือมีคนส่งข้อความมาทางรลน์บ้างทางเฟ e บุ๊ k บ้างหรือว่า ทางอีเมลมั่งก็ลืมไปเลยนะว่ากำลังทำอะไรอยู่หันไปจดจออยู่กับข้อความหันไปจดจออยู่กับโทรศัพท์ไอตอนนั้นเนี่ยลืมไปเลยนะว่ากำลังทำอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นกันเยอะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าจับจดนะจับจดเพราะว่า มันลืมไปนะตอนนั้นกําลังทําอะไรอยู่แม้จะเดินจงกรมสร้างจังหวะแต่ว่าบางทีก็ลืมไปนะว่ากําลังเดินจงกรมกำลังสร้างจังหวะเพราะว่าใจมันลอยมันคิดโน่นคิดนี่คิดวางแผนนะจะไปทอดผ้าป่าที่โน่นนะจะไปสร้างอะไรที่นั่นนะไอตอนนั้นเรียกว่านะไม่มีสัพชัญญะที่เรียกว่าโคจรสัปพัญญะ คือความรู้ชัดหรือตระหนักชัดในแดนงานที่ทำหรือในสิ่งที่ทำนี่จริงมันยังมีสัมปชัญญะอีกสองน ะ, ะได้แก่นะสัพยะสัมปชัญญะคือความรู้ชัดในสิ่งที่เกื้อกูลสั ป, ป, ะส ป, ปะยะเนี่ยพอแปลเป็นไทยเราก็แปลว่าสบาย แต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ถูกทีเดียวนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่สบายมันอาจจะไม่เกือ้อกูลก็ได้อย่าเช่นมามาปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าเลือกหาที่ที่มันสบายเตียงนุ่มติดแอมีน้ำร้อนนะเผอ มีโทรทัศน์ด้วยสัญญาณโทรศัพท์ก็4ขีด5ขีดเนี่ยอันนี้เราสบายนะแต่มันอาจจะไม่เกือ้อกูลต่อการปฏิบัติเพราะทำให้ไปติดสุขติดสบายสัพเะเนี่ยมาถึงเกือ้อกูลซึ่งบางครั้งอาจจะมาถึงสถานที่ที่มันอาจจะลำบากไม่สดวกสบาย แต่มันสงบสงัดอย่างที่เราสวมมาสักครู่เนี่ยการนอนการนั่งในที่อันสงัดที่ที่สงดเนี่ยอาจจะไม่สบายก็ได้ที่ที่วิเวกสงบอาจจะไม่สะดวกก็ได้นะอย่างที่นี่สมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเอาเลยนะแล้วก็ไม่สบายด้วยแต่ว่ามันสงบสงัดมากแล้วก็คือต่อการปฏิบัติมันไม่มีสิ่งที่จะมาดึงดูดใจให้ส่งจิตออกนอก อย่างนี้เรียกว่าสัมปัตยนี่เรียกว่าสัปปายะนะคือเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเกื้อกูลต่อการฝึกจิตถึงแม้ว่ามันจะไม่สะดวกกายเท่าไหร่อาจจะไม่สบายกายเท่าไหร่แต่คนเราเนี่ยจะรู้ชัดว่าอะไรเกื้อกูลต่อการปฏิบัติหรือการด น, นชีวิตเนี่ยที่เราเรียกว่าสัปปายะสัมปัญญะเนี่ย มันก็รวมถึงการรู้ถึงคุณและโทษนะของสิ่งต่างๆเช่นที่สบายสิ่งที่สบายสถานที่สบายเนี่ยนะมันก็มีโทษนะมันทำให้เพลินไปกับความสุขความสบายจนติดสุขติดสบายส่วนที่ที่อาจจะลำบากนะมันก็มีคุณตรงที่ว่ามันมีความสงบสงัด คนเราเนี่ยจะรู้ว่าอะไรมันสับปะยะมันเกื้อกูลหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องรู้ชัดนะในเรื่องของคุณและโทษของสิ่งที่เกี่ยวข้องของงานที่ทำอย่างเช่น เ, นเงินทองนะความมั่งมีเนี่ยมันก็มีคุณนะมันก็ทำให้ชีวเราสะดวกสบายแต่มันก็มีโทษเพราะมันกลายเป็นภาระ ชีวิตที่สดลกสบายเพราะามีวัตถุสิ่งเสพมากมายเนี่ยมันก็กลายเป็นภาระให้กับเราได้ต้องคอยดูแลต้องคอยรักษาเช่นเดียวกับนะความสำเร็จทำอะไรแล้วก็สำเร็จนี่มันก็มันก็ทำให้จิตใจมีความสุขมีความภาคภูมิใจ แต่ถ้าว่าเราไม่ชัดนะในคุณและโทษเนี่ยมันก็จะหลงเพลินไปลความสำเร็จโดยที่ไม่รู้ว่ามันสร้างภาระอย่างไรบ้างอย่างที่เคยพูดเมื่อสองสาวันก่อนนะว่าเนี่ยคนที่ทำกิจการประสบความสำเร็จนะมันยากนะแต่ที่ยากกว่ า, าคือการรักษาความสำเร็จน้ให้ต่อเนื่อง และที่ยากกว่า น, นั้นคือรู้จักวางมือนะจากกิจการที่สาเร็จเพราะว่าไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบสุดท้ายเราก็ต้องวางสิ่งนั้นลงอาจจะเป็นเพราะสังขารอาจจะเป็นเพราะร่างกายไม่อำนวยเพราะความเจ็บป่วยถ้าเราจะเกี่ยวข้องกับความสำเร็จเนี่ยก็ต้องรู้ชัดนะว่า มันมีคุณและโทษอย่างไรคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันมีโทษรู้แต่ว่ามันมีคุณรู้แล้วเออขอให้ฉันประสบความสำเร็จนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสำเร็จแล้วนี่มันสร้างภาระติดตามมาอย่างเจ้าของกิจการแห่งหนึ่งในฮอกไกโดเนี่ยาประสบความสาเร็จมากนในเรื่องการทำธุรกิจ การขนส่งสินค้าการขนส่งวัตถุดิบแต่พอตัวเองแก่ยุด70กว่าแล้วอยากจะวางมือวางไม่ได้ลูกหลานก็ไม่เอาลูกน้องก็ไม่สนใจหรือไม่กล้าได้ทำยังไงกิจการประสบความสาเร็จมีลูกน้องเยอะ แต่ถ้าจะปิดกิจการเลยก็เดือดร้อนคนมากมายจะให้คนมาซื้อกิจการก็ไม่มีใครมาซื้อสุดท้ายนี่ก็ต้องใช้วิธีโฆษณาว่าใครใหญ่เป็นเจ้าของกิจการนี้ให้ไปเลยฟรีฟรีอันนี้ก็เป็นทุกข์นะของคนที่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นเนี่ยเวลา ผู้คนเนี่ยแสวงหาความสำเร็จเนี่ยถ้าหาว่าไม่ไม่รู้ชัดในคุณและโทษเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเป็นทุกข์นะกับความสำเร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ต้องแบกเอาไว้ชีวิตเนี่ยแทนที่จ ะ, กะเกษียณแล้วไปทำอะไรที่มันมีคุณค่าพักผ่อนหรือว่าเข้าวัดปฏิบัติธรรม ก็เลยทำไม่ได้แม้คำว่าแม้คำว่าความรู้ชัดในสิ่งที่เกื้อกูลเนี่ยนะมันก็ต้องรวมไปถึงว่าการรู้จักเห็นคุณและโทษโทรศัพท์มือถือเนี่ยออมันก็ทำให้เราสะดวกนะแต่ว่าสำหรับนักบวชเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นโทษได้เหมือนกัน อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สัตปายะสำหรับนับบวชถึงแม้ว่ามันจะให้ความสะดวกสบายนี่ถ้าไม่รู้ชัดในความเกลือกูนเนี่ยคือไม่เห็นคุณและโทษเนี่ยมันก็จะอาจจะเข้าไปตกเป็นทาตของโทรศัพท์มือถือหรือความสะดวกสบายก็ได้อันนี้เรียกว่า ถ้าไม่รู้จักคุณและโทษไม่รู้ว่าอะไรที่เกื้อกูลต่อชีวิตหรือการปฏิบัติเนี่ย <_ d ata> ก็เรียกว่าไม่มีสัพเพ ะ, ะสัม ป, ปชัญญะเอานคำว่าสัปปชัญญะนี่มันมีความหมายมากความรู้ตัวทั่วพร้อมมาหรือ ม, มารวมไปถึงการที่เรารู้ชัดเกี่ยวกับสิ่งที่เราทํางานที่เราทําทด้วยหรือสิ่งที่เราเกี่ยวข้องและที่สําคัญอีก ป, ประการหนึ่งนะสัม ป, ปชัญญะนี่คือ ที่เ้าเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะคือความรู้ชัดในสภาวะของสิ่งที่เราเกี่ยวข้องหรืองานที่เราทำก็ได้เช่นเวลาทำงานอะไรเนี่ยเราก็รู้ชัดนะว่ามันจะทำให้สำเร็จได้เนี่ยมันก็ประกอบด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาวะที่เรามุ่งหวังหรือประสงค์ อยากให้มันสำเร็จน ะ, ะมันต้องมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเหตุปัจจัยนั้นจะทำให้สเร็จได้ก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ถึงพร้อมครบถ้วนมันจึงจะประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นงานภายนอกงานภายในนะแล้วถ้ามันไม่สำเร็จนะ มันก็ไม่ถูกนะเพราะรู้ว่ามันมีเหตุปัจจัยมากมายที่เราควบคุมไม่ได้แต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ไม่รู้ชัดในเหตุปัจจัยพองานมันล้มเหลวก็เสียใจเพราะที่จริงมันเพราะที่จริงผิดพราะตั้งแต่การตั้งความหวังแล้วนะว่าฉันทำแล้วต้องสําเร็จ ลืมไปว่าความสําเร็จนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวฉันคนเดียวมันขึ้นอยู่กับคนอื่นมากมายถ้ารู้ชัดตรงนี้เนี่ยนะมันก็จะรู้ว่าเราคนเดียวนี่ไม่พอและทำมาไม่สําเร็จก็มันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดของเราแต่เป็นเพราะเหตุปัจจัยไม่ถึงพร้อมอันนี้ก็ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมารู้สภาวะนี่ก็ยังหมายถึงรู้ทันสมมุติด้วยนะ ถ้ารู้ทันสมมุตินะว่าสมมุติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่มันก็มีโทษต้องรู้จักใช้สมมุติให้เป็นพอไปติดสมมุติเนี่ยนะแล้วพอมันไม่เป็นไปดังใจนี่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีชั่วนะมากน้อย หรือแม้แต่สำเร็จและรล้มเหลวของบางอย่างที่คนสมมุติว่าดีมาจจะไม่ดีจริงก็ได้นะก็เหมือนแฟชั่นนะ่นะแฟชั่นเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและแฟชั่นบางอย่างเนี่ยคล้ายๆว่าดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เราก็รู้ชัดนะรู้ทันในสมมติ เงินทองเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องสมมุตินะเราก็รู้ว่ามันมีประโยชน์แต่ถ้าหากว่าไม่ได้มันมาหรือว่ามันได้น้อยก็ไม่ทุกข์ไความรู้ชาติอีกประการหนึ่งนะคือรู้ชาติในเรื่องความผิดชอบช่วดีด้วยความผิดชอบช่วยดีเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้ พรถ้าเราไม่รู้ชัดเนี่ยมันก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วบางครั้งแม้จะรู้นะแต่พอมันเกิดอารมณ์เกิดความวู่วามขึ้นมามันก็ลืมหมดนะอย่างที่หลวงพ่อเขียนที่เราฟังหลวงพ่อเขียนเทศเมื่อเช้าเนี่ยพ่อผัวกับลูกสะภ้ทะเลาะ ก, กันนะพ่อผัวจะด่าลูกสะภ้ยลูกสะพ้าก็โกรธ แล้วก็เสียใจนะไปฟ้องผัวแล้ ว, ว่าถูกพ่อดา่าหรือมีเรื่องทะเลาะ ก, กับพ่อนะลูกก็โกรธนะที่จริงคงจะมีเรื่องทะเลาะบบาแวงนะระหว่างพ่อกับลูกนี่มามานานพอสมควรแล้วนะอาจจะทะเลาะ ก, กันเรื่องลูกสะพ้า รนะูกผัวลูกนี่ก็อาจจะลำคาญหรืออาจจะรู้สึกว่าพ่อนี้เนะมียคติต่อเมียของตัวหรือว่าจู้จี้ขี้บ่นก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ลงรอยกันก็เลยเกิดความไม่พอใจสะสม พ่อเมียมาฟ้องว่าพ่อของตัวพอ่อมีมาฟ้องผัวพ่อของตัวเนี่ยนะด่าว่าอะไรพูดเป็นผัวเนี่ยนะโกรธนะโกรธพอ่อขี่มอเตอร์ไซค์ยคว้าปืนนะไปที่บ้านพ่อกำลังจักตอกอยู่กำลังเล้าจักตอกอยู่ ให้ลูกนี่ก็ด้วยความโกรธไปหาพ่อเนี่ยพร้อมกับปินลูกสองเพื่ออะไรเพื่อจะยิงนะพ่อก็รู้นะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นก็เอามือเอามือป้องเอาไว้มือบังเอาไว้บอกยัดยิงอย่ายิงให้ลูกไม่สนใจยิงเลยนะปืนลูกสองบอกว่าพ่อตาย พอพ่อตายจึงรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะทำไมจริงๆพ่อของตัวเองได้เนี่ยเพราะ่ตอนนั้นเนี่ยลืมนะความผิดชอบชัว่วดีลืมความถูกความผิดเผอิญที่ลืมไม่ได้ ว, ว่าเป็นพ่อของตัวอันนี้เรียกว่าเป็นพ่ออะไรพ่อความโกรธนะ ความโกรธมันทำให้ลืมตัวพอลืมตัวแล้วเนี่ยไอ้มันก็ลืมอะไรต่ออะไรอีกมากมายลืมความถูกต้องลืมผิดชอบชั่วดีลืมพ่อพอระบายความโกรธเสร็จสับนะหายโกรธก็รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นทำอะไรลงไป ตอนนั้นได้สติแล้วก็เลยเสียใจเสียใจที่ค่าพ่อของตัวอันนี้ก็เรียกว่าขาดนะสิ่งที่เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัช ญ, ญะนะไม่รู้ชัดหรือไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีซึ่งก็เกิดจากความลืมตัว เรื่อสัพพัญญาเนี่ยมันมีความหมายกว้างกว่าคำว่ารู้ตัวนะมันหมายมันยังหมายถึงว่ารู้หน้าที่รู้วัตถุประสงค์รู้ผิดชอบช่วยดีรู้คุณรู้โทษแต่ว่าทั้งหมดนี่มันก็จะว่าไปมันก็มารวมหรือมาผูกติดอยู่คำว่ารู้สึกตัวนะเพราะว่าถ้าไม่รู้สึกตัวหรือไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่รู้หน้าที่ ไม่รู้ว่าทําอะไรกําลังทําอะไรอยู่ไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าทําไปเพื่ออะไรรวมทั้งไม่รู้คุนรู้โทษไม่รู้จักผิดชอบชดดีด้วยเพรานี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยหรือความรู้ตัวทั่วพรอเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสําคัญมันเป็นเรียกว่าแม่บทหรือตัวหรือตัวแม่ทีเดียวนะในการที่ทําให้เรามีความรู้ชัดในเรื่องอื่น ไม่่าจะเป็นศาตกะสัพพัญญาความรู้ชัดในวัตถุตรประสงค์โขจรัสสัพพัญญะความรู้ชัดในงานที่ทําสัพยะสัพพัญญะความรู้ชัดในสิ่งที่เกื้อกลูลแล้วเราก็อสัมโมหสัพพัญญาความรู้ชัดในสภาวะซึ่งประการหลังเนี่ยมันก็รวมไปถึงการที่รู้ชัดไปถึง สภาวะของของรูปและนามรู้ชัดถึงขั้นว่าเนี่ยมันไม่สิ่งที่เราเรียกว่าเราเนี่ยมันไม่มีนะมันเป็นสมมุตินะที่เกิดขึ้นจากการเรียกรูปและนามรูปและนามเนี่ยรวมกันก็สมมติว่าเป็นเราเกิดภาพตัวตนขึ้นมา ถ้าเราไม่มีสัมปชัญญะ ม, มีความรู้ตัวมันก็ยังก็จะยึดติดนะว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราแต่ว่าพอมีความรู้ตัวเนี่ยมาดูกายและใจนะอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นว่ามันไม่มีเราไม่มีตัวเรามันมีแต่รูปกับนามไอ้ที่เคยเห็นเป็นตัวเราตัวเรารือตัวตนเนี่ยมันก็ถูกแยกย่อยออกมาเป็นรูปและนามกายกับใจอันนี้ก็เลยว่า เกิดความรู้ชัดในสภาวะหลวงพ่อคำเขียนท่านก็ใช้คําว่ามันทะลุงนะทะลุงนี่เราใช้กับแร่นะแร่ที่มันเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยพอทะลุงเข้า ม, มันก็ถูกแยกออกมานะเป็นแร่ชนิดต่างต่าสติหรือสัมผัสฉันและความรู้สึกตัวเนี่ยมันทำํำมาที่แยกนะสิ่งที่เราสําคัญมันหมายว่าเป็นตัวเรา ให้ออกมาเป็นรูปกับนามและในและรูปกับนามนั้นก็ไม่มีตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราจเจริญสติทงขาสุดตัวนะอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นมันก็จะพ้นหลุดจากความหลงว่ามีตัวตนมันก็จะเห็นเสี่งต่างตามความเป็นจริง ถ้มไม่ใช่แค่รู้กับนามมันก็จะเห็นแยกย่อยปเป็นขันท่าแล้วก็รู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเราเร า, เราเจริงมันก็ประกอบไปด้วยขันท่าแล้วก็สมมุติว่าเราสมมุติว่าในกอนในขอนี้มันสมมุติทั้งนั้นนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่การประชุมกันของขันท่าพอแยกย่อยแยกขันหนาออกไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็ไม่เหลืออะไรเลยอันนี้เราบ้างป่าจากตัวตน สิ่งต่างๆภายนอกก็เหมือนกันทั้งรูปธรรมและนามธรรมถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ความยึดติดถือมั่นในตัวตนว่าเป็นกูของกูก็หมดไปมันก็ทำให้ไม่มีความยึดติดในสิ่งต่างๆชนิดที่ทําให้เป็นทุกข์เมื่อเกิดความผันผวนแปรปรวนขึ้นเพราะเนี่ยไอ้คำว่าอัมวัดสัมปชัญญะนี่มันจึงเป็นเรียกว่าเป็น สุดยอดของสัพปพปัญญาหรือทีเดียวเพราะมันสามารถทำให้พ้นทุกได้จิตเป็นอิสระแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยถึงสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่รู้ตัวแต่มันยังรู้ความจริงรู้สัจธรรมนะรู้ความจริงของตัวตนว่ามันไม่มีตัว ต, วตนตั้งแต่แรกพอรู้ตัว และพัฒนาไปสู่การรู้ความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมเนี่ยมันก็เลยอยู่เหนือถูกได้เพราะฉะนั้นว่าสัมปชัญญะหรือความรู้ตัวนี่มันจึงเป็นคำที่สำคัญมากนะที่เราต้องมันสร้างมันสะสมขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นไปจนถึงจุดที่เรียกว่ามันเห็นแจ้งรู้ชัดในสภาวะความจริงของสิ่งต่างๆ